ไรภูมิคุยถึงเรื่องใหญ่โตของทางไรภูมิที่ท่านแสดงถึงเรื่องภูมิสามคือว่าตามลงไปกว่ามนุษย์เ็าเรียกว่าสัตว์ดเดรัจาน เป็อสุรกายนี่เรียกว่าภูมิหนึงมนุษย์จะเป็นภูมิหนึง่งมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเป็นภูมิหนึงสูงขึ้นไปตัวเทพประมุขเทพดาเป็นภูมิหนึรภูมิคือภูมิสามที่ท่านแปลเมื่อตั้ง ภูมิสุโคไทยยเจริญอยู่ด้วเรื่องในแต่งใจภูมิคือพระเจ้าลือพระไอพระเจ้าลือไทยแต่งทางนั้นท่านแต่งท่างกล่าวทั้งเรื่องน้ลกที่อยู่นั้นตรงนั้นตรงนั้นเกิดตรงนั้นเป็นนั้นนั้นอะไรต่างๆอย่างแม่น้ำอาจีราวดี เป็นแปลของนากเป็นช่องของนากแม่หน้ามจีระวดีวดแปลว่ามันร้อนเลยอธิบายว่าเกิดที่ช่องฟองนากที่พุ่งขึ้นมาพูดั้งเรื่องภูเขาขต่างๆที่เกิดองภูเขา มากมายหลายอย่างหลา ย, ย, ลายประการพูดถึงเรื่องจุูปูทวีปกุพพเวงิเทหทิปมระโพยทิปกรูทุกอุอรดอรทูทวีปในมนุษย์ของเรามี3มทวีป พ, พูดถึงเรื่องสวรรค์มีหลายอย่างอลายระการล่าวถึงเรื่องตนไม่ปฏิกระชับ เป็นตอนไมที่ระอินไะจำอยู่เป็นสมบัติของตะ อ, อินนั่นกาวยืดยาวว่งคว่ำครานี้จะกลาวใสภูมิของคนเราที่มีภูมิสามจิตใจอันใดของมนุษย์ ที่มันเร็วตามทีสุดเดือดร้อนที่สุดต่ำช้าที่สุดความกโกรธความโลภความลงโดยไม่มีส ต, ติเขาผายเขาผ่านจิตใจ อยู่ทุกขณะหรือเป็นบางครั้งบางสาวเกิดขึ้นมาแล้วเผาสารให้เรือดร้อนลำขาดไม่สบายใจอันนั้นเเรียกว่าทุกขติ สานที่มีความเดือดร้อนอย่างนั้นนเดียวว่าทุกขติมันมีความสุขสบายอยู่ตลอดกาลเวลาเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นสัตว์เดราาัจฉานหาลกลักชกขโมยสิ่งของช่องช่อชก ช, ช, ช, ช, ชิงลง้เลยช่อชิง วิ่งราวหลอกลวงหากินและประการม์ต่างๆมันนุ่เรียกว่าทุกขติเพราะคนผู้นี้แหละมันจะไปเกิดทุกขติก็เพราะเหตุทำผมชั่วนั่นแหะเรียกเป็นสัตว์สาราจริงที่มันเป็น แต่โจรรก A v อวีจีเพราะจิตอันนี้แหละมันก่อขึ้นแต่เบื้องตน้นตั้งขึ้นแต่เบื้องตน้นที่คนเรานี่แหละเป็นเหตุไปก่อนตายแล้วมีหวังเลยได้ไปทุกขติคนเรานั้น เป็นคนดีๆอยู่ใจนั้นเร็วสเป็นสัตว์เป็นเตะสุรกายท่านเรียกว่ามนุษย์สติมนุษย์สติรชานมนุษย์เจริโตมนุษย์นรโกเป็นมนุษย์แต่เป็น จัตไระดฉานเป็นเปรตเป็นอสุรากายมนุษย้เป็นภูมิตำ ม, มนุษย์ของคนเราสร้างขึ้นมาให้เกิดมีในตัวของตนภูมิของมนุษย์ท่านี้อย่ามนุษย์ธรรมดาสามัญ มีความโอบอ้อมอารีสงเคราะสงหาซึ่งกันละกันความพันสั้นยาวให้อภัยซึ่งกันละกันไม่ถือเกลียดถือโกรธมันเกิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาก็ระ ง, งับไว้ในแสดงปฏิิยาการต่าง นั่นเรียกว่ามนุษย์ภูมิของมนุษย์ภูมิของมนุษย์แท้เรียกว่ามนุษย์จะทำอะไรที่เรียกว่ามนุษย์จะทำต้องมีสินห้าต้องมีสินแปดเป็นการเวลาตามการเวลาทันไนี้คอ ย, อยใหญ่ใหญ่จนอธิบายไว้ ตีกย้อยออกไปก็คือว่ตาต้องเ้าะต้องหาในเมตตาฝันอีกเป็นดูสิ่งการณ์นนกันให้อภัยสิ่งการณ์นนกันตีกย้อยออกไปมนุษย์มนุษย์โสเป็นมนุษย์โดยแท้ มนุสเทโวเป็นมนุษย์แต่เป็นเทวดาเป็นเทวบุตรคือมีหิริโอตปากนะ่าอายตบากเป็งกลัวตวบากมีความอายเท่านั้นนะ่ะมีความกลัวเท่านั้นนะ่ะมดเลยครอบเป็นมดเลย น้าอายบาปกลัวบาปก็ไม่ทําบาปส่วนความดีทำควงมมุตติย่อยนอกตอนนั้นอีกนัดในส่วนถ้าอายบาปลกาปลัวบาปเนี่ยมันจะโกรธในแก่คนแก่บคุคคลใดก็ตามน้าอายความโกรธตอง น, นั้นมันเกลียดเขาก็ละอายควาเกลียดตอนนั้น ความกลัวอะไความกลัวความเกลียดอะไรความกลัวพวกอายนะั้นเป็นเหตุให้ระงับได้มนุษย์ธรรมดาต้องระงับได้โดยอาการอย่างนี้ถ้าเป็นเทวดาแล้วมีความอินดูมีฮิดอตป่าแล้วก็มีความอินดูจะโรกโรธใครก็ไมสามารถโกรธ โดยเอ็นดูคนนั้นจะเกลียดใครก็ไม่สามารถเกลียดต้งสารคนนั้นสัตว์นั่นและสิ่งนั้ น, น, นมนุษย์อย่างนี้เรียกว่ามนุษย์เทวูสามภพสามภูมิ เกิดจากมนุษย์คนเดียวนับเกิดเป็นมนุษย์นี้ได้ชื่อว่าภูมิของมนุษย์ได้ชื่อว่าสูงสุดได้ชื่อว่าต่ำสุดทําดีก็ได้สูงถึงเกียรบุตรเทวดาหรือสา ม, มารถจะทําให้อินเป็นพรมก็ได้สา ม, มารถทําให้บริสุทธิ์บุตรบถึงวัตถุนิพพานก็ได้ เร็วสามที่สุดก็มนุษย์นี่แหละทำชั่วช้าเร็วสามที่สุดเป็นมนุษย์แล้วแต่กลับทำชั่วจนเหลือที่จะเป็นมนุษย์น่าสงสารมนุษย์คนเรา เป็นมนุษย์แล้วดีผูกุศลพลนบุญให้เกิดเป็นมนุษย์สมบวรณบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตลงอดจนอวัยวะทุกสิ้นทุกส่วนแต่ตนเองไม่รู้จักเรื่องของมนุษย์ ทำมนุษย์จะทำเนี่ยเที่ยงสาม 3, เลวสามลงไปเป็นสติระชานเต๋อสุรกายแต่ยังไม่ทันแต่ยังว่าทันตาเป็นมนุษย์อยู่ดีๆเนี่ยทําตัวเป็นเลวสามลงไปเป็นสติระชานเนเตเ๋นสุรกายจึงน่าต้องสาดมาก เพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาตัวของเราทุกวันทุกวันเราอยู่ในภูมิใดมากกว่าเพื่อนอยู่ในภูมิภูมิจัตเจตฉันเตระุลกายหรืออยู่ในภูมิมนุษย์หรืออยู่ในภูมิเทวบุตรเทวดามากกว่า ในขณะที่เรงยังมีชีวิตอยู่นี่รีบเร่งตรวจกลาพิจารณาตัวเี้ยเราชอบเป็นมนุษย์เป็นเทบุตรเป็นเทวาดายินพงให้สูงขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ชอบต่ำเป็นมนุษย์แล้ว อยากจะดีขึ้นไปคือคนเราโดยส่วนมากอยากจะให้มนุษย์เราเป็นคนดีความดีนะีคือความสุขเนะัน่ะใครก็อยากจะได้สุขยิ่งๆเลยไปทั้งนั้นแนะไม่มีใครอยากจะได้ทุกข์หรอกคือความดีนะี่ แต่คนก็ไม่กระทำความดีโค้หกหลอกลวงตนเองความดีแทนที่จะทำให้มันเจริญมโหงงาม้นในตัวของตนกลับไปทำแบบคนชั่วอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่จะอยู่ใกลที่ไหนหรอกน้ารบสวรรค์อยู่ตรงนี้แหละตัวใจของเราเนี่ยแหละ เขาอยากจะทำดีจะไปภูหกทนสิ่งใดไม่ดีก็จงละเที่ยสิ่งใดดีก็จงรักษาเอาไว้ให้มันเจริญองอกงามขึ้จึงจะเป็นมนุษย์อันวิเศษสูงสุด สมกับที่เราอยากจะเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยากนักยากหนาที่จะได้าเป็นมนุษย์เช่นนี้บุญกรรมส่งมาให้นำมาให้เป็นมนุษย์แล้วแสนยากที่สุดถ้านอุปมาเปรียบือนเงนกับ เต่าตัวหนึ่งเกิดอยู่ในแม่น้ำมาหาสมุทรขว้างขวางไงตูน้อยปีพันปีจะโผล่ขึ้นมาแอกน้อยลอยในทะเลน่ะมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาถูกแอกน้อยนักน้อยหนาช่องนิดเดียว แค่สอในให้ก็ไม่ได้ชั้นใดมนุษย์ที่จะเกิดลงเป็นบุคคนนี้เหมือนกับนั่นแหละอะไรมันมากมายแยะตัวที่มันเกิดสัตว์เลี้ยงฉันก็นั่งในทวนหลายเพศหลายชนิดที่สุด มันปวกเป็นมดมันส่วนต่ำที่สุดส่วนสูงขึ้นาก็ทําเป็นงวเป็นควายเป็นสุนักเป็นเ็ดเป็นไก่เป็นสุ ก, กรรลองดูเสี้ยทุกคนนั่นน่ะเกิดมาอะไรกันแต่น้อยแต่แรเกิดมาเขาเลี้ยงให้อิ่มน้ำาชมลาน ตำรวจตำววจน้ะก็เลี้ยงเพื่อขาดกินเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าะร า, ามาเปรียบมันก็คนขี้เกียจคนขี้เกียจนั้นแนหะกินและนอนเหมือนกับจุ ก, ก่อน ประกอบภาวนาทำคบามเปลี่ยนอะไรเลยมำลุงเนื้อหนังให้เติบโตขึ้นมาแล้วเข้าไปฆ่ากินแค้อนุภายมายานะเห็นหั้มคนเรายมันยากที่จะเอาเกมคนสัดกำเนิดที่จะเกิดมันมากไ น, นับเป็นลันลาด มนุษย์มนุษย์นี่เป็นช่างเดียวเทนานที่มาเกิดเป็นมนุษย์จงรักษาตัวของตนเห็นจิตของตนทุกขณะเราทําอะไรอยู่เดียวนี้เราคิดอะไรอยู่เดียวนี้เราพิจารณาอะไรอยู่เดียวนี้เห็นจิตของตนอยู่ทุกขณะ จึงจะรู้เรื่องของเราพระจิตมันเล้วที่สุดคิดโกรธคิดเกลียดคิดรักคิดชังคนนั้นคนนี้พัดเดียวไปแล้วหายแล้วไม่ทราบเมื่อไหร่ไปแล้วแตเมื่อไหร่ถ้าเรารักษาตัวนี้ สติตัวนี้หละคุ้มจิตตัวนี้จะอยู่ตอลอดเวลาเขาพมาเปรียบเหมือนกันเขาดักแย่ขขอยู่ปากรูดิ้ น, นมันโผล่ขึ้นมาเวลาไ้นก็เห็นเวลานน่ะมันโผล่ขึ้นมาก็จับกออกเลย สัตว์ที่มีอยู่ในรูก็ต้องเป็นเย่นนั้นแต่หากเขาท่านพูดถึงองย่างเย้คำว่านรกเน่ยนะมันอยู่มาได้นานม่าโผล่ขึ้นมามันวิ่งลงไปรูนะมันอยู่ในอยู่ปากรูนะ่ะ อ, อยเยไปเยอะก็โผล่ขึ้นมาอีกทั้งคนเราไม่ยังร้ายงท่านั้นอีก มันก็จะเจะออกนอกรูกนอกค้าสหาว่าเราทํามันกระดักแย่ก็จะเห็นมันทุกขณะมันคิดเกียดติคิดกดคิลรัคิดชังใครก็จะเห็นในขณะนั้นเมื่อเห็นมันเช่นนี้แล้วจับตัวมันได้เลยทีเดียวมันก็จะอยู่ในบังคับของเรา อยู่แต่หน้าของเรานี่ชื่อว่าฝึกฝนอบรมมันได้มีใจไม่ใช่ของเราจะแล้วอบรมไม่ได้อบรมได้เมื่ อ, อไรจงเป็นของเราอบรมตรงนี้เถอะก่อน จึงจะไม่เป็นสัตว์ประจานเปตุสุรการจรึงจะเป็นมนุษย์จึงจะเป็นเทวดาเทวดาติดนิพนต่อไปได้ใครๆก็จองอบรมจงใจนั่นแหละในอรมที่อื่นหรอกถ้าเราไม่อบรมก็มีใครอบรม ตนตตน้องรู้ใจของตนเองคนอื่นจะไปรู้ใจของเราไม่ได้นี่แหละสามพบสามภูมิอยู่ในที่เดียวเป็นได้ดังสามภูมิสามพบที่ท่านพูดเราขว้างขวงมากมายเนื้อวิสัยที่เราจะตามไปรู้ไปเห็นเมื่อเราเห็นตรงนี้ก็เลยจะเห็นพบเห็นภูมิของเราแล้ว ในตำนานไม่ต้องไปกล่าวเรากลาวเขาพูดถึงตรงนี้แลมดเรื่องพบสามภูมิสามอยู่ในเดียมัดมดเท่า น, น, นั้นเอาละ